รุ่สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงของอเทศกาลวันอาสารหบุชาและวันข้าวบันานั้นเนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะทราบกันนะคะว่าท่านพระอาจารย์ไพบุลอภีปโ น, โนซึ่งท่านเป็นองค์ปาถกประจํารายการธรรมารับปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยท่านก็ได้เหมือนกับ ช่วงนี้นี่ก็จะเป็นการสนทนาของท่านอาดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะค ะ, ะท่านจันที่มาเชยสงวนที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยทางด้านธรรมะดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมานะคะพอใกล้ช่วงของวันเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวิสาขะอาสารหะ ห, หรือมาฆาบูชาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวทางด้านพุทธศาสนา ซึ่งคุณพ่อของท่านได้เขียนไว้อย่างดีมากๆเนี่ยมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในรายการธรรมาร บ, บุรุนนะคะซึ่งช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่จะรับฟังในวันธรรมดาจากท่านรองจันทิมาเชยสงวนค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นั้นเรายัางคงไว้นะคะที่จะเป็นช่วงของการสากระชาหรือว่าสนทนาธรรมะ ระหว่างตัวดิ่ฉันเองนะคะซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ไทบุตรอภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบริเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอนองหาญจังหวัดอุดรธานีนะคะวัด น, นี้หลายท่านทราบแล้วล่ะค่ะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระคูณสิทธิปภากล ท่านเป็นเจ้าอาวาสกันค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมเลยค่ะซึ่งวันเสาแรกนี้เราก็เพิ่งจะผ่านวันอัสสรอปุชาและก็วันเข้าพรรษากันมาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะคะวันนี้เป็นวันแรมสองค่ำเดือน8นะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าปีนี้มันมีเดือน8 2สองโหดเดชันก็ได้ติดท่านผู้ฟังมาตั้งแต่ าการสนทนากับท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโคราวที่แล้วว่าในช่วงของการเข้าพรรษาเนี่ยนะค ะ, ะพี่น้องอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราก็มักจะมีความตั้งใจล่ะค่ะตั้งจิตตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะบางท่านก็บอกว่าจะไม่ดื่มเหล้าเลยสเดือนนี้อะไรอย่างนี้นะคะบางท่านก็จะอดบุหรี่บ้างจะอะไรทําความดีต่างๆนาน า, นารักษาศีลศีล8ดศีล5อะไรแล้วแต่ไปแต่ว่าปรากฏ ว, ว่าพอ เข้าไปในวันระหว่างเข้าพรรษาจริงๆช่วงสามเดือนเนี่ยคะ่ะบางท่านก็ทำมาได้นิดเดียวก็ปรากฏว่าล้มเหลวดังนั้นก็เลยสัญญาว่าจะพามารับฟังคำแนะนำดีๆจากท่านพระอาจารย์ไพบูรอภิปุโนของเรานะคะว่าท่านจะเสนอแนะยังไงที่จะทำให้เราเอาชน ะ, ะความอ่อนแอทั้งหลายที่ที่เข้ามารบกวนจิตใจเราเนี่ยคะ่ะ เราประกาบน้มรักษาการพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุโนโพร้อมกันเลยดีไหมคะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่4สิงหาคมนะคะกล่าวน้มักการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญบอลเจ้าขาสาธุเจ้าข้ายมเกลื่นมายาวเลยนะเจ้าค่ะ <laughs> ดังนั้น <laughs> ก็อย่างที่ว่าว่าย้อนให้ท่านผู้ฟังทราบนิดหนึ่งว่าอะไรเป็นอะไรก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุโนเจ้าค่ะว่าสำหรับความตั้งใจของพวกเราเนี่ยว่าจะทํานู่นทํานี้นะเจ้าคะอย่างโยมเ อ, เองนี่ก็ให้สัจวาจ า, าว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ย ทุกๆวันพระก็จะถือศีลแปดอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็ตั้งใจไว้อย่างงาั้นวันธรรมดาก็จะถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดอันนี้โยมก็จะพยายามทําให้ได้แต่ก็อยากจะฟังพระอาจารย์แนะนําเจ้าคะ่ะว่าพวกที่แพ้ภัยตัวเองคือแบบทําไม่ได้เนี่ยเจ้าคะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงดีเจ้าค้านิมนต์เจ้าคะ่ะอืมสุริยพรปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือว่าอย่างเช่นคนต้องการลดความอ้วนใช่ไหมโอ้ยเห็นไอ้อย่างที่เรามันอยากจะกินเนี่ย ของ <Okay. S 1> ที่มันห ว, วานๆ น, น้ำอัดลมพวกนี้หม ม, มันมันอดไม่ได้มันเห็นแล้วมันต้องจับใส่ <Okay. S 1> หรือว่าเวลาที่เราต้องการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเช้าเ้าตื่นมาตีห้าต้องลุกขึ้นมาอะไรฟังรายการธรรมะรบรนณแต่ว่าโอ้ยขออีกห้านาทีสิบนาทีกลายเป็นหกโมงเจ็ดโมงไปนู่ น, <Okay. S 1> นหรือบางคนต้องไปออกกำลังกายแล้วก็จะไม่ไม่สามารถไปได้นะเพราะว่าใจที่ไม่มีกาลังพอที่จะ ทำสิ่งที่เรารู้ว่าอันนี้ถูกต้องแต่เราทำไม่ได้คือเรารู้รู้รู้เลยว่าอันเนี้ยดีดีกับตัวเราแน่นอนเลยแต่พอถึงเวลาทาจริงจริงทำไม่ได้เนี่รู้รู้ว่าดูเบรรีนี่ไม่ดีแน่นอนจะไม่ไทำแหละแต่พอถึงเวลาจริงๆมันมันห้ามตัวเองไม่ได้เจ้าค่ะรู้ว่าอีกคำหนึ่<า>งที่เกินมานี่มันไม่ดีแน่นอนเลยรู้เลยรู้เต็มที่เลยแต่ทำจริงๆทําไม่ได้ค่ะนะอันเนี้ยคือลักษณะว่า คือไม่มีกําลังจิต ท, ที่จะทําคืออย่างที่คุณเนใจใช้คําที่ว่าแพ้ภัยตัวเองเจ้าค่ะคือจิตเราเนี่ยเป็นภัยกับตัวเราเองนะคือหมายความว่าจิตเราเนี่ยมันจะมาหลอกเราให้ไปยึดถือในสิ่งต่างๆอันนี้คือมีพระเจ้าเคยยกตัวอย่างอันนี้นะว่าสมมติมีคนคนหนึ่งก็ตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดนะเาตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยเขาก็ไม่เห็นรูปสีสันอะไรต่างๆเขาไม่รู้จัก มีคนหนึ่งเขาได้ฟังข้อมูลมาบอกว่าผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยเป็นของที่สะอาดเป็นของปราศจากมนทินแม่เป็นของที่มีคุณค่ามีราคาแต่ปรากฏว่าเขาก็สแสวงหาผ้าขาวนั้นปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะดันไปลวงเขาเอาผ้าเนื้อเลวปื้นเข่าเนี่ไปลวงเขาบอกอันนี้เป็นของดีนะด้วยความที่เขาเป็นคนตาบอดใช่ไหเขาก็เลยไม่รู้ว่า ไม่เห็นนะว่าอันนี้มันขมาหรือมันดีกันแน่ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นบ้าดีพ้าดีนะเอามาห่มเอามาใช้เอามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอพ่ออยู่ไปอยู่ไปแล้วก็มีญาติของของคนตาบอดคนเนี้ยนะเขาพาหมอที่มีความเชี่ยวชาญมากมารักษาหมอก็ใส่ยาที่ตาน่ะประกอบยานัดยาให้กัดยาถ่ายโทษเบื้องบนเบื้องล่างนะถ้าให้ตาเนี่ยกลับมาดีขึ้นมาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเอ้า นี่มันผ้าเนื้อเลวเพื่อนขมเเมนี่โว้ยโยนทิ้งทันทีแล้วก็ยังจะไม่คิดนึกโกรธไอคนที่มันมาหลอกลวงเราว่าอืหมันมันมันทําให้เราเจ็บช้าน้าใจหลอกมาราตังนานมันน่าโกรธเหมือนกันนะจ๊ะน่ากลัวจริงๆมาหลอกลวงแล้วคนตาปอดแล้วเราโง่ที่ว่าเราไปใส่โชว์เขาอ่ะแมมถ้าเก็บไว้ก็ยังพอว่านะนี่ไปใส่โชว์คนอื่นเขาแต่เองก็เสียค่าโง่เขาอีกตัวซ้ําเจ้าค่ะอันนี้เป็นลักษณะของคนที่จะ รู้ทําได้ว่าพระพุทิเาบอกว่าเราบอกว่าอันนี้เป็นนี้เป็นธรรมะนะอันนี้นี่เป็นนิพพานนะเธอจะรู้ตามเห็นตามได้เนี่ยก็ต่อเมื่อวางเธอปล่อยวางความยึดถือในขันต่างห้าได้พร้อมกับการที่จะเกิดขึ้นแห่งธรรมจักจุก็จะเห็นว่าโอ้ยเรามาหลงยึดถือรูปเป็นตราสัญญาสังกัดวิ ญ, ญญาณว่าเป็นตัวเราของเรานะเพราะว่าจิตนี่แหละมาหลอกเรามาทําให้เรา ล่อลวงปลอมทีม ป, ปลิ้นปล อ, อกเราให้เรามายึดถือในรูปใบสนาสัญญาสังหารวิญญาณทำให้เรามีความทุกข์ทีนี้อย่างไ อ, อสิ่งที่เรามาลุ่มหลงแล้วเราทําให้เราทําไม่ได้นะอย่างเช่นว่าคนที่ต้องการตื่นเช้านะฉันจะปรับมิสัยตัวเองในสามในสเดือนนี้เป็นสานี้ฉันจะต้องตื่นเช้าเป็นต้นนะคือคนที่เขาตื่นสายก็จะไม่ได้ฟังรายการนี้แล้วละ่ะคนตื่นเช้าก็จะหรือไม่ก็คงจะฟังย้อนหลังอยู่นะ โยมโยมต้องปลูกนาฬิกาเจ้าค่ะเขาเขาก็จะต้องเขาเขาก็จะเขาาก็จะไหลไปตามความสุขความสุขในที่นี้ก็คือความที่แบบโอ้ยอยากอยู่สบายบนเตียงนะอยากมันยังง่วงอยู่เลยมีความสุขยากยังง่วงอยู่เลยอยากนอนต่อเขาแถมอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ก็ทำให้ตัวเองไม่สามารถทําสิ่งที่ใจคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ตัวเองทําไม่ได้นั่นนีคือคนที่ไม่มีวินัย คนที่ไม่มีอยู่ไหนนะคือการที่เรามีวินัยเนี่ยคือเรารู้ว่าเราควรจะต้องทําสิ่งไหนในเวลาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะคนที่มีวินยัยอย่างาวินัยในที่นี้ก็คือหมายถึงศีล น, นะนะความเป็นปกติเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกรรมอย่างพระสงฆ์ก็จะมีวินัยอื่นๆอีกเช่นว่าต้องนั่งดื่มน้ำํำมีผ้าสามผืนอย่างนี้เป็นตน้นชุกค่ะซึ่งวินัยตรงนี้เนี่ยคือข้อปฏิบัติที่ เราควรทำเรารู้ว่าเราจะต้องทำแล้วเราทำให้ได้น็่นคือวินยัยแต่เรารู้ว่าเราจะต้องทำแต่เราทำไม่ได้นี่คือคุณไม่มีวินยัย <Okay. S 1> อ, อืมเอ่อทำไมทไมคนใดคนหนึ่งถึงไม่มีวินยัยไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเราเองทำได้มันมีอยู่2กรณีที่เรารู้ว่าเราควรทำแต่เราทำไม่ได้มันมีอยู่2กรณีกรณีแรกเนี่ยเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยยังกำหนัดลุ่มหลงในความคิดอยู่3อย่างนี้น่นคือการพยาบาม เบียดเปี่ยนถ้าจิตของเรายังมี3อย่างนี้กลุ่มรุมอยูนะ่เราจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่เรารู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราควรจะทำได้นะถ้าเรามี3อย่างนี้อยู่ ค, นะคือความคิดทางการความคิดทางปยาบาติความคิดทางเบียดเบียนอย่างเช่นคนที่ตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะต้องออกกำลังกายนะทุกวันวันละ20บนาทีเป็นต้นนะไปวิ่งทุกวันวันละ20นาทีเป็นต้นนะ <Okay. S 1> แต่พอถึงเวลาจริงๆฝนตก ฝนตกก็ว่ายฝนตกไม่ไปหรอกใจเออได้หยุดแล้วมีข้ออ้างเพื่อจะหยุดแล้วเจามีข้ออ้างเพื่อจะหยุดแล้วสบายแล้วนะซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องละคุณมีความคิดทางกามเจ้าค่ะที่พระอาจารย์พูดมานี่รู้สึกกระทบโยมโดยตรงเจค่ะเรื่องออกกำลังกายเจ้าก็คงจะมีท่านฟังหลายคนด้วยที่เป็นอย่างนี้ก็คือคือรู้ว่าอันนี้เราฉันต้องทําอ่ะแต่มันทําไม่ได้ทาไมทาไมจิตใจเราไม่มีกําลังที่จะทํา นะหรือว่าเรารู้แล้วว่าบุหรี่ตัวนี้มันมันทําให้เราไม่ดีแต่ขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแต่แต่ตัวสุดท้ายพรุ่งนี้ก็มีตัวสุดท้ายอยู่วันถัดไปก็ยังมีตัวสุดท้ายอยู่อ้าวแล้วตัวสุดท้ายมันจะไปจบที่ไหนอ่ะมันไม่เคยมีวันวันจบได้เลยไม่มีความอิ่มด้วยตัณหาไม่มีความเอ่อมันไม่มีทางจะพอได้นะถ้าเรายังมีความอยากอยู่จ้าค่ะนี่แหละความอยากตรงนี้แหละมันก็เป็นความที่ความคิดแต่งทางกาม การในที่นี้คือความสุตรที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรายังพอใจความสูตรที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้นะั่นเพียงน่ะเราไม่มีทางที่จะมีกําลังจิตในการที่ชนะเอาชนะสิ่งที่มากระทบปราได้ในเรื่องล้วลวงย่อยวนมันมีหลายอย่างมากทั้งมาทางโทรศัพท์มือต่อทางอ e ีเมลมาทาง SMS มาทางเฟซบุ o กอะไรต่างๆ ท, ที่จะล่อลวงเราไปทําให้เราเสียเวลาเปล่าๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เราควรจะต้องทํา อีกประการหนึ่งประการที่สองอันนี้คือพูดถึงหลักการเฉยๆนะเราจะพูดถึงวิธีการปฏิบัติในในช่วงต่อๆไปของรายการนี้แหละในในวันนี้เจ้าค่ ะ, ะเหตุประการที่สองที่เราไม่ได้ทำก็เพราะความกลัวบางคนกลัวอย่างเช่นบางคนไปวิ่งอย่างเงี้ยรู้ว่าวิ่งเป็นการดีแต่กลัวเหนื่อยบางคนก็บอกว่ารู้ว่าการพูดในที่ชุมชนนี่ถ้าพูดได้จะเป็นการดีมากเลยแต่กลัวกลัวเขากลัวแบบว่าพูดไม่ถูกกลัวพูดผิด รู้ว่าการทํางานขยันดีแต่ว่าทําตามไปแล้วมันมันกลัวว่ากลัวจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเรารู้ว่าการลงทุนอันนี้ดีแน่นอนเลยแต่ลงทุนไปแล้วกลัวว่ามันจะกลายเป็นของขาดทุนทำให้เงินที่เราเก็บไว้เสียก็เลยไม่สามารถทําได้อันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งคือเรื่องของความกลัวปุโรหิตาบอกงี้บอกว่ า, าความความกลัวเนี่ยแล้วก็ความโศกเนี่ยทั้งหมดนี้เกิดมาจากความรัก นะความโศกเกิดมาจากความรักความกลัวเกิดมาจากความรักนะถ้าพ้นแล้วจากความรักความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่านะคือบางคนกลัวในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เลยไม่ทําไม่กล้าทำํำนะ ก, ก็เลยทําไม่ได้ที่เรายกตัวอย่างถึงการพูดในที่ชุมชนนะหรือบางคนกลัวที่จะไปสมัครงานนะเพราะว่าตัวเองมีความรู้น้อยพูดก็ไม่เก่ง คิดาตัวเองเป็นคนต่ําต้อยนะทำให้กลัวในการที่จะไปทําสิ่งต่างๆกลัวที่จะเผชิญหน้าซึ่งในกรณีนี้เนะี่ยมาก็จะต้องแนะนําให้ท่านผู้ฟังนะทําอย่างนี้ก็คือว่าให้เผชิญหน้าอะไรความกลัวเนี่ยนะคือถ้าเรากลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราทําให้ทําเราทําไม่ได้เราต้องเผชิญหน้ากับมันะอย่างเช่นว่ า, าคุณกินมากอย่างเงี้ยคนที่กินมากเนี่ยนะอุ้ยขอต่ออีกจานหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้มันจะกลัวจะหิวอย่างเงี้ยกลัวหิวใช่ไหม คุณลองหิวดูเลยเผชิญหน้ากับมันนะ mm hmm. เพราะเรา mm hmm. เรากลัวสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอด้วยซ้ำว่าหิวมันเป็นยังไงโดนนิดๆหน่อยๆก็เลยคิดว่าโอ๊ยฉันตายแน่เลยเพราะเรายังไม่รู้จักมันตรงๆจริงๆว่าเอ๊หิวเป็นยังไงหรือเรายังไม่รู้จักตัวมันจริงๆตรงๆเลยตอนที่ว่าเออเราเราพูดผิดในที่ชุมชนเป็นยังไงนะคือที่บอกว่าต้องเผชิญหน้าเนี่ยทำไมถึงพูดคํานี้เพราะว่าเราเอาแบบพระพุทธเจ้านะ พระเช่าของเราเนี่ยตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่กุนติใจ<ช>ตอนนั้นก็พยายามที่จะขจัดความกลัวในจิตของตัวเองออกไปเพราะฉะ น, นั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรันใช่ไห ม, ไหมก็มีความกลัวทั้งหมด15แบบที่พระองค์พยายามกำจัดออกไปในที่เราที่อามาได้เคยพูดไปในรายการตอนก่อนๆว่าสมมติว่าถ้าเรายังมีกายวาจาใจาไม่บริสุทธิ์นะหรือว่ามีนิวันทั้งห้าแล้วคุณมีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยสมควรแล้วนะเพราะว่าเราทําไม่ถูกนี่ คุณทำไม่ถูกคุณกลัวก็สมควรแล้วคุณควรจะกลัวต่อบาปอย่า ง, ย, างยกตัวอย่างอาตมาไงสมมตินนะถ้าอาตมา <Okay. S 1> ไปอยู่ที่เปลือบเปลียวแล้วเรารู้สึกอุ้ยอันนี้ลมพัดอันนี้ก็ขยับกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยคือความกลัวตรงเนี้ยมันมีสาเหตุมาจาก 10, 16อย่างนี่ไหมใน16อย่างไม่ใช่สิอย่างก็คือว่าเรามีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ไหมกายวาจาใจอาชีวะเราถ้าเราไม่บริสุทธิ์เราอยู่ในที่เปลือบเป ล, เปลียวเนี่ยเราควรจะกลัวเพราะว่าเราทําตัวไม่ดี รวมทั้งนิวาทั้ง5้าอย่างความยกตนกลอมท่านคืออกุศลธรรมทั้งหลายที่ผู้เจ้ายกมาสิบอย่างเนี่ยถ้าเรามีอยู่แล้วเราไปอยู่ที่เปลี่ยวๆสมควรแล้วสมน้าหน้าแล้วที่คุณจะกลัวแต่ถ้าเราขจัดสิบหอย่างนี้ออกไปแล้วอย่างสมมติคนที่มาเหลียนในปฏิปธธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเขาพยายามที่จะทจําจิตให้สงบกายวา จ, จวาใจอาชีวะก็บริสุทธิ์แล้วแต่ถ้ายังกลัวอยู่หากความกลัวตรง น, นี้แหละที่เราต้องเล่นงานมันเป็นความกลัวที่เกิดจากกิเลส เข้าใจ ไ, ไหมคือหมายความว่าถ้าเราเป็นคนดีแล้วไม่มีความชั่วสิบหกอย่างนี้แล้วคุณยังกลัวอยู่แสดงว่าความกลัวเนี้ยมาจากกิเลสเราต้องจัดการมันเข้าใจไหมอย่างสมมติว่าเราไปไปสมัครงานคุณโอยก็ไม่ได้ทําผิดศีลอะไรไม่เราก็เป็นคนมีศีลมีสมาธิปัญญาระดับหนึ่งนะแต่ว่าทําไมเราถึงไปกลัวที่จะสมัครงานเรายังไปกลัวที่จะพูดในที่ชุมชนเรายังกลัวที่จะหิวแสดงว่าความกลัวตรงเนี้ยไม่ไม่ถูกแล้วเป็นกิเลสมามาหลอกเรา มันมหลอกเราทําให้เราไม่กล้าทําสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนทําให้เราไหลไปตามสิ่งที่มันง่ายๆบถ้าองง่ายๆเอากินแล้วกันกินง่ายดีไม่กินมันยากแต่เราไม่รู้เลยว่าไม่กินนี่มันง่ายกว่าเป็นต้นน ะ, ละแล้วก็อีกประการหนึ่งคือคนที่ไหลไปในทางทําความชั่วเช่นไาทำความไม่ดีงเช่นสูบบุหรี่ติดสารเสพติดอย่างเงี้ย น, นั่นก็เพราะว่าเขาเขากลัวว่าเขาจะเจ็บ ปวดกลัวความทุกข์ที่จะเกิดทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยกลัวเจ็บบ้างงั้นเถอะนะคนเราเนี่ยกลัวเจ็บกลัวเหนื่อยกลัวหิวกลัวพวกเนี้ยกลัวสิ่งที่เป็นทุกขกับเวทนาอย่างคนกลัวหิวเนี่ยนะตอนบ่ายเนี่ยกลัวหิวก็เลยกินไปเยอะๆกินไปเยอะแล้วท้องก็อืดย่อยก็ไม่ได้หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนทํางานก็ไม่ดนะีพออ้วนเสร็จแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวากายเยอะยากนะก็ทําให้งานประสิทธิภาพสมองอะไรมันก็ติดขัดไปหมดด้วย สุขภาพในทางระยะยาวก็ไม่ดีเพราะว่าความที่เขากลัวหิวท่นเองเออหรือว่าคนที่กลัวที่จะไปสมัครงานกลัวที่จ ะ, ะเผชิญหน้าเนี่ยก็เพาะว่ากลัวสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาทั้งหมดนั่นเลยกลัวแตนะวิธีแก้ความกลัวนะ่ะคุณต้นใจคือความกลัวหรือความทุกขเวทนาเนี่ยพระเจ้าให้มองดใูให้รู้เขาอย่างแจ่มแจ้งนะรู้เขาอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยหมายความว่าคุณต้องไปดูมันชัดๆนะคุณถึงจะรู้ได้อย่างแจ่มแจ้ง คือความทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะความทุกข์เราพูดถึงทุกข์วิทนาคือความทุกข์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรรอบรู้นะเราควรรอบรู้เราถึงจะแก้ปัญหาความทุกข์ได้นะืรู้ว่าเหตุเกิดมันมาจากอะไรนะืรู้ว่ามันให้ผลอะไรรู้ว่าทางแก้ปัญหามันคืออะไรเรารู้เราจะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเผชิญหน้าให้ค่ะให้ค่ะให้ให้เห็นความกลัวตรงนี้จุคาเนะืแล้วก็เพราะว่าความที่ประการที่3นะืประการแรกเราพูดถึงความคิดทางกรรมปฏิบัติเปรียบเบียบใช่ไหม ประการที่2เราพูดถึงความกลัวใช่ไหมประการที่3เนี่ยเราพูดถึงความที่กําหนัดรุ่มหลงในเวทนาคือความรู้สึกคนเราเนี่ยไหลไปตามอยู่แค่มันแค่ดันกับดึงคือผลักกับดึงสิ่งที่เราจะผลักเราหนีออกไปเนี่ยก็คือทุกขเวทนาสิ่งที่เราจะดึงเข้าเราหาเนี่ยเราก็าไปหาคือสุขเวทนาเราพยายามที่จะหนีทุกขเวทนาพยายามที่จะดึงเข้าสู่สุขเวทนาแต่เพราะนั้นอะไรที่มันเป็นทุกขเนี่ยเราพยายามที่จะ หนีออกเลิกออกห่างออกอะไรที่มันจะเป็นสุขเนี่ยเราพยายามวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าหานะทําให้เราถูกขับดันไปในทางที่สังคมก็าพาดึงไปเขามาหลอกเราว่าอันนี้เป็นความสูขนะเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอต้องขับรถประเภทนี้นะเธอถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้เธอต้อผมทรงนี้นะเนี่ยเราถูกเขาเรียกว่าสะกดจิตโดยสังคมสะกดจิตโดยสื่อมวลชนสะกดจิตโดยโฆษณาเป็นต้นจุก้า คนอย่างบางคนอย่างเงี้ยเธอต้องผมทรงนี้นะตรงๆ ร, ร, รูดๆมาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสวยอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะปีนี้สีนี้อีกปีหนึ่งสีหนึง่งสองห้าสองปีห้าปีที่แล้วทรงผมทรงนี้ในะอีกห้าปีสิบ ป, ปีข้างหน้าก็เปลี่ยนทรงไปอย่างสมัยสิบปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขานิยมทรงบังเกอร์เป็นกระบังกระบังขึ้นมาเหมือนกับล่มบังบังหน้าได้ในฝนตกนี่ไม่เปลี่ยนนะสมัยนี้ก็กลายเป็นแบบผมตรงๆ นะดื่นๆเป็นมันๆอย่างเงี้ยผู้ชายต้องตั้งๆังขึ้นไปด้วยเจ้าค่ะชี้เป็นลุชี้ไปตรงนี้เจ้าค่ะเป็นเป็นแบบนาข้าวของชาวนาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบเพราะนั้นวิธีแก้เนี่ยคือเราจะทำไงให้จิตของเรามีกําลังนะคือคนที่อ่อนแอเนี่ยนะคุณตือนใจเขาวัดกันที่กําลังจิตนะคือคนที่อ่อนแอหรือคนที่เข้มแข็งเนี่ยไม่ได้วัดที่ร่างกายว่าคุณมีกล้ามเป็นมัดมัดหรือเปล่า แต่วัดที่ว่าถ้าคุณไหลไปตามสิ่งที่มากระทบมากนะไหลไปตามนี่หมายว่าสิ่งที่เป็นสุขก็ดึงคุณไปสิ่งที่เป็นทุกข์คุณก็ขยักขยั่งเกลียดชังนะจีจัดเรี่ยงปรางขึ้นมาหรือว่าโกรธด่าว่าร้ายขึ้นมาแสดงว่าจิตคุณไม่มีกําลังเป็นคนอ่อนแอเป็นคนอ่อนแอนะแต่ก็คือไหลไปตามสิ่งที่มากระทบง่ายเกินไปนะจ้าคะใช่เจ้าค ะ, ะส่วนคนที่มีความเข้มแข็งนั่นคือจิตของคุณเนี่ยไม่ไหลาตามสิ่งที่มากระทบ อะไรมากระทบปุ๊บเราเห็นอย่างความเป็นจริงนะไม่ววินวากระตุวว้วพุ่งใสหรือว่าไม่ขยักขยังเกียดจังวิ่งหนีแต่ว่าคอยดูมันดีๆด้วยสภาพตามที่เป็นจริงนะเราก็เชื่อว่าจิตตัวนั้นแหละเป็นจิตที่มีกำลังเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นวิธีการนี้เรากำลังจะพูดถึงแก้ปัญหาที่รากเหง้าเลยนะที่รากเหง้าซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกจิต เรากำลังพูดถึงการที่จะฝึกจิตให้จิตของเราเนี่ยมีกำลังเพื่อที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบขเขาเอาอาหารมายั่วยวนหรือว่าเขาเอาสิ่งใดที่ไม่ดีมาล้วนย่ยั่วยวนล่วนลวงเราให้มีเสียเวลาเสียการทํางานของเราเนี่ยเอาเงินมาล่อใ น, ในตําแหน่งหน้าที่ก็ตามหรือเอาชื่อเสียงเกียรติยศมาล่อทําให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีกําลังใจมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ เจ้าค่ะก็คือมีจิตมั่นว่าเราจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะใช่ใเจ้าค่ะทีนี้การทำทำอย่างไรเจ้าคะประเจ้าค่ะก็คือว่าวิธีการปฏิบัติก็คือว่าเราจะต้องคอยฝึกจิตของเราเนี่ยให้ให้มีสติให้มีสติสติเนี่ยคือความระลึกได้คือเวลาอะไรมันมากระทบเนี่ยนะคุณเดินใจจิตเรานี่ไวมากจริงๆนะไวมากจริงๆอ่าไวขนาดไหนไวขนาดไหนคืออย่างสมมุติว่าคนเดินเข้ามาที่บ้าน นะตาเหลือไปเห็นธรณีประตรูที่เป็นไม้แล้วก็ตอนนั้นมีเสียงนกกา ร, ร้องพอดีนะทําให้นึกถึงบ้านสวนแห่งหนึ่งที่เคยไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะก็มีนกร้องเหมือนกันแล้วก็มีประตรูที่เป็นไม้แบบนี้เป็นแบบโบราณโบราณทําให้จิตในคิดไปถึงแม่ที่ไปด้วยในที่นั้นนึกขึ้นได้ว่านาฬิกาที่เพิ่งซื้อให้แม่เป็นแบบออกแบบแบบเก่าๆหน่อยนะแล้วก็เลยทําให้เป็นนึกถึงกางเกงที่ซื้อมาด้วยกันที่เป็นออกแบบเก่าๆหน่อยโบราณโบราณหน่อยแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้นํามาด้วยก็เลยรู้สึกเสียดาย ความเสียดายนั้นก็ทําให้เกิดคิดถึงเรื่องที่ตัวเองไปทําผิดพลาดมาเมื่อ6เดือนก่อนไปซื้อหุ้นผิดมาตัวเองพอไปซื้อหุ้นผิดมาขาดทุนหลายแสนก็เลยจิตตกไปนิดนึงเพราะว่าทําไม่ดีเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแล้วก็พอมาคิดถึงเรื่องนี้ก็เลยทำให้ไปคิดถึงหนังเรื่องเฉพาะตลาดหุ้นในที่ว่าเขาซื้อผิดยังไงเขาก็แก้ไขไว้ได้จิตก็เลยดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเออเรามาวัดที่นี่เพื่อที่จะขจัดจิตตัวเองให้สะอาดเลยมีกําลังใจที่จะเดินเข้าตลาดต่อไป แต่จะเห็นว่าแค่เราเดินข้ามธรณีประตูเนี่ยความคิดมันเล่นไปทั่วเลยนะ <Okay. S 1> อะแล้วเวลาเดินเข้าธรณีประตูเนี่ยทุกๆเวลาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเดียวกันด้วยเพราะว่าเวลานี้มันมีนกกา ร, ร้องอีกเวันหนึเงมันเงียบๆทาให้จิตเวลาเรากระโดดนู่นกระโดดนี่เนี่ยมันมันไปทั่วมันไม่เหมือนกันนั่นะ <Okay. S 1> คือนี่จะพูดถึงว่าจิตของเราเนี่ยมีลักษณะการทํางานที่ไม่ใช่เป็นเส้นตรงแต่มีลักษณะการดังานที่กระโดดไปกระโดดมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจึงต้องมีสติเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เวลาที่มันกระโดดไปกระโดดมาไปรู้นั่นริ้นน่้นเนี่ยมันเป็นอกุศลหรือเปล่าอย่างความคิดบางทีมันเป็นอกุศลเช่นไปคิดเรื่องที่ว่ า, าซื้อหุ้นผิดเมื่อ6เดือนก่อนแต่ไอความคิดที่ว่าเออซื้อของให้แม่อันนี้ดีนะหรือว่าเราไปคิดเรื่องที่เรื่องถึงหนังหนังที่เราเคยดูเมื่อเมื่อก่อนว่าอนันนี้นเป็นความคิดต่างกามก็ไม่ดีจิตเราเนี่ยมันกระโดดไปรู้นั่นนี่โน่นตลอดเวลาจิตอย่างเนี้ยคือจิตที่ไม่ได้รับการควบคุมไม่ได้มีการฝึกไม่ได้มีสติ ทำให้มันไหลไปทั่วตามแต่ที่มันจะไป <Okay. S 1> ะเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องฝึกสติเพื่ออะไรเพื่อแทนที่จิตจะกระโดดไปรู้เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราถูกมันเราได้ดึงได้ผูกเข้าไว้กับเสาเขื่อนสาหลักของจิตนั่นก็คือลมหายใจแตถ้าเราฝึกลมหายใจให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนะจิตของเราเนี่ยจะค่อยมีกําลังมีกําลังขึ้นอันนี้จะมากําลังพูดถึงทางแก้ปัญหาระยะยาวนะคุณเดินใจ <Okay. S 1> ว่าถ้าเราฝึกจิตของเราไปเรื่อยๆเนี่ย จิตของเราพอเริ่มมีกําลังเริ่มมีกาลังเริ่มมีกําลังเนี่ยเราจะต้านทานสิ่งที่มายั่วยวนเราได้ทีนี้ระหว่างที่เราฝึกเนี่ยถ้าคุณหลายไปตามอีกถ้าคุณอยอมแพ้ ง, ง่ายๆอีกเนี่ยคุณก็จะเรียกว่าฝึกจิตไม่ได้เรื่องละเราก็ต้องค่อยๆฝืนค่อยๆทําค่อยๆแก้ไขวิธีฝึกก็คือง่ายๆคือเรามีสติอยู่กับลมหายใจพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ย จิตนั้นเนี่ยถือว่าดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจละนะจิตก็คือกระโดดจากที่อื่นเนี่ยมากระโดดที่รู้ลมหายใจเดี๋ยวเนี๋ยมันกระโดดไปที่อื่นอีกนะกระโดดไปรู้นั่นรูนี่ปุ๊บเดี๋ยวมันกระโดดกลับมาลมหายใจอีกอย่างน้อยเนี่ยมันยังมีจังหวะที่กระโดดกลับมาอยู่กับลมหายใจของเรานะไอ้จังหวะที่มันกระโดดกลับมาอยู่ลมหายใจของเราเนี่ยจิตตรงนั้นเน well right nah, anyway> ี่ยเรามีก huh> ําลังขึ้นละมีกําลังขึ้นละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะให้มันกระโดดไปนู่นนี่นั่นตามอารมณ์ของมันหรือสิ่งใดๆที่มาดึงงเน่แสวาจิตรป็ที่มาดึง อะไรมาดึงปุ๊บเราก็โดดไปตามอะไรมาดึงทางนี้เราก็กระโดดไปตามนะแต่ถ้าเราให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างน้อยมันยังกระโดดดึงมารู้ลมหายใจได้พอกระโดดดึงมารู้ลมหายใจปุ๊บเดี๋ยวมันไปอีกเราปรับมันจับมันมาอยู่ที่ลมหายใจอีกตรงเนี้ยทุกๆจังหวะที่มันกลับมาอยู่กระโดดอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะจิตเราเนี่ยจะมีกาลังมากขึ้น จะไม่ไหลไปตามความกลัวได้จะไม่ไหลไปตามความเพลิดเพลินรุ่มโรงได้จะไม่ไหลไปตามเสียงที่เขามาด่าทอทําให้เราวุ่นวี่วุ่นวายได้จะไม่ไหลไปตามเครื่องยั่วยวนต่างๆที่มากระทบหูจ ม, มูกกายใจเราได้เราจะพยายามที่จะควบคุมตรงนี้ได้อย่างน้อยชั่ววินาทีที่มันกระโดดดึงกลับมาที่ลมหายใจของเราแล้วพอเราฝึกๆไปเนี่ยนะคุณนใจมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยไอจังหวะที่มันกระโดดกลับมาเนี่ยมันยิ่งมากยิ่งมากขึ้นนะ <Okay. S 1> เราก็ค่อยๆทําไปก็จะ แกปหัหาได้เจ้าค่ะถ้ายมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอานะจารย์ไปบุเจ้าค่ะว่าถ้าทุกครั้งที่เรารู้แล้วละ่ะว่าในชีวิตทั่วไปของเรานะเจ้าค่ะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่จะต้องอยู่เป็นคารวาสเนี่ยมันก็จะมีความคิดไปทัทง้ทงทางการอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะทางการทางพยาบาทกลัวเบียดเบียนทุกขเวทนาอะไรต่างๆที่ว่าวิ่งเข้าหาความสุข สุขเวทนานะเจ้าคะนี้ทุกเวทนามันจะจิตมันจะวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ตลอดเลยแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะฝึกจิตของเราให้มีกำลังในในฐานะที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าคะก็หมายถึงว่าถ้าแปลงง่ายๆก็คือ ทุกครั้งที่จิตใจเราวุ่นวี่วุ่นวายไปคิดนู่ น, น, น, น, นคิดนี้ไปเรื่อยนะเจ้าคะทุกครั้งที่เรารู้ตัวเรารีบดึงจิตเรากลับมาที่อยู่ที่ลมหายใจเราดึงบ่อยๆเนี่ยเจ้าค่ะมันจะเกิดความชํานาญหมายถึงว่าพอดึงกลับมาปุ๊บจะอยู่ทันทีจะรู้สติทันทีก็จะเกิดปัญญาว่าเราจะแก้ปัญหา ย, ยัางไงหรือจะตอบตอบโต้สิ่งที่มากระทบเราอย่างไร อ, อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใชตรงนี้ <ชา S 1> ต้องต้องเตือนนิดหนึ่งว่าบางคนไปท้อแท้ตรงที่ว่าโอ้ยฉันทําไม่ค่อยได้เลย นะ <Okay. S 1> ดึงกลับไม่ได้แค่2อสาครั้งเองจากที่พยายามทั้งหมดเป็นชั่วโมงนะ <Okay. S 1> ดึงกลับมาได้แค่สองสาครั้งเองทําให้เยอฉันไม่ทําหรอกอันนี้คุณคิดผิดเลย <Okay. S 1> นะเพราะว่าแค่สองสครั้งน่ะดีมากแล้วนะดีมากจริงๆแล้วเอาสองสามครั้งเราทําให้เป็นสี่ห้าหกครั้งนะคุณแค่รู้สี่ลมห้าลมหรือ6กลมแล้วก็ค่อยทําไปในครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณทําได้ยิ่งมากมันก็ค่อยๆ ย, ย, ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มไปคือเราใช้ตรงเนี้ยเป็นฐานที่ตั้งให้ สิของเราเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆทำมันจะดีขึ้นมาได้แล้วพอ<ะ>เมื่อไหรเนี่ยที่เราเริ่มทําได้เป็น2นาที5นาทีเนีเริ่มทําได้มากขึ้นมากขึ้นตรงนี้แหละเราจะค่อยๆชนะสิ่งที่มายั่วยวนบุหรี่ที่มต้องการสูบแล้วโยวนทิ้งไปได้เลยไม่มีปะนะัญหาทําไมบางคนน่ะเขาตัดสินใจเลิกปุ๊บเขาเลิกได้เลยบางคนนี่ต้องซื้ออะไรนิโคตินมาดื่มกินมาหมักฝรั่งอะไรว อ, อะไรกว่าจะเลิกได้นี่ต้องเป็นปีบีมันก็อยูอ่ที่กําลัางจิตตรงนี้ไง ยอยู่ที่กาลังจิตตรงนี้เราฝึกไหมเรามีสติไหมเราทําได้ไหมยงี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าเราฝึกกําลังจิตของเราให้แข็งแกร่งแล้วก็บางทีหักดิบได้เลยนะเจ้าค่ะหยุดก็หยุดเลยใช่ใชเจ้าค่ะอือเจ้าค่ะอ๋อหรือเวลาอยู่ประมาณมสักหนึ่งนาทีนะเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์พบุตรอภิปุโนสรุปตรงนี้เลยเจ้าค่ะให้กําลังใจบรรดาญาติโยมทั้งหลายหน่อยช่วงอข้าพริสานี่ยเจ้าค่ะ ว่าจะทําจิตเราให้เข้มแข็งทําในสิ่งที่ดีงามนีมนุ์เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะไรใดๆเอาไว้นะดมาก็ได้พูดตั้งแต่คราวที่แล้ว แ, แล้วว่าให้ตั้งเป้าหมายในที่ว่าในพรรษานี้หรือว่าในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราจะทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายแยะอย่างก็ได้ที่ทําให้จิตใจของเราดีขึ้นมาสูงขึ้นมานะเราตั้งเป้าหมายตรงนี้แล้วเราทําไม่ได้ด้วยการที่จาให้จิตเรามีกําลังด้วยการที่จะมาฝึกสติอยู่เรื่อยๆเนะปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยน ปัญหาให้เป็นทางแก้ไขเราพ ย, ยายมที่จะแก้ด้วยใช้ให้จิตกำลังมีสติก็จะสามารถแก้ได้ทําได้ทางนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะฝึกจิตที่เรียกว่าอย่างเข้มข้นจริงๆแล้วก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะยืนยันได้ว่าไปสมัครเปร็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนกันได้ค่ะ <c oughs> ทุกเดือนนะเจ้าค่ะก็จะมีะหลักสูตรปฏิบัติธรรม รกเกรปิดวัดอาเรียกว่าเคร่งมากๆเลยของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านจะรู้ว่าแต่ละเดือนนั้นมีกำหนดการอบรมกันเมื่อไหร่อย่างไรก็ดูทางเว็บไซต์อของทางวัดนะคะก็คือ p e e ย t h ร m m a c o m นะคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลาบ น้ำมศการขอพระคุณอย่างสูงแด่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนค่ะซึ่งท่านเป็นโอปาถกแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างมากเลยนะคะมีแฟนรายการอยู่ทั่วประเทศเรากลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะในเช้าวันอาทิตย์นั้นเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอให้ท่านผู้ังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณนี้ค่ะกล่าบน้ัสศการและกล่าบขอพระคุณเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญสาธุเจ้าค่ะ